บทที่181จากเสียงที่ร้องก้องเอ็ดอึงของดารินปลุกพวังอันหลับหลับตื่นตื่นของทุกคนที่อยู่ภายใต้กระโจมให้ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นอย่างตกใจและพรวดพราดออกมาจากใต้ผ้าคลุมพร้อมกันทั้งหมดสิ่งที่เห็นทำให้พากันยืนจัง ง, งังตะลึงพึงเพลิดกันไปหมดเชิทาวราริตได้สติก่อนใครทั้งสิ้นในกลุ่มยกมือทั้งสองขึ้นขยี้ตาโดยแรง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 พี่ชายร้องดารินชี้มือพูดลิ้นพันกันอย่างกระหืดกระหอบแทบจะฟังไม่รู้เรื่องด้วยความตื่นเต้นกีดสุดพวกพวกเขาชิวาเทโลูกนั้นพี่พี่ใหญ่ดูที่พวกเขาที่เราเห็นเป็นก้อนหินสูงตั้งอยู่บนพื้นราบมองแล้วไม่มีรูปร่างอะไรนอกจากก้อนหินธรรมดานั่นแหละเพราะจันเสี้ยวดวงนั้นจะตกรับฟ้าคล้อยต่ำไปแตะแต่อดเท่านั้นล่ะพี่ใหญ่มันก็มังเกิดปรากฏการณ์มหาศจันร์ อย่างที่เราทุกคนเห็นอยู่ในขณะนี้อย่างแปลกเวลาที่สุดเห็นไหมครับพี่ใหญ่เห็นไหมเชยันแม่เธอเห็นเหมือนอย่างที่ฉันเห็นขนาดนี้ไหมมันกลายเป็นเทวรูปรๅษิว่าอย่างชัดเจนลราก็ใครมาแกะสลักเอาไว้ด้วยภูเขาทั้งลูกและเพระจันเสียบนท้องฟ้าก็แปะลงติดกับพระเมารีแปลสภาพเป็นปิ่นจริงๆเป็นฤๅวะที่เรารอคอยตามคาสั่งของลายแทงใช่แล้ว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 แผ่รังสีออกไปเป็นประกายรุงสุกสากาวสว่างว่าบูบว่าบอยู่เป็นระยะโลกซีตะวันตกทั้งหมดอันเป็นทิวเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะบัดนี้สว่างเจอดจ้าไปด้วยสีอัมพันราวกับเอาละองทองมาดาดโรยไว้แลหินชับหมดทุกโคตรเขินเนินสไลท์ทั้งใกล้และไกลออกไปประหนึ่งจะเป็นภูมิประเทศของแดนดาวดึงสวรรค์ชั้นฟ้าฉะนั้น เบื้องหลังกลุ่มพรานพื้นเมืองเบียดกันอยู่เป็นกระจุกคนเหล่านี้บัดนี้ตาเหลือกด้วยความตกใจจนหมดสติไม่มีใครอ้าปากปล่อยสำเนียงเสียงใดออกมาได้ทั้งสิ้นเหมือนถูกสาปให้กลายเป็นหินไปชั่วขณะแม้กระทั่งตาเท่าบุญคำผู้ซึ่งพนมมือสันพับๆอยู่กับอกชัยันยกแขนขึ้นกัดเพื่อให้รู้แน่ชัดว่าไม่ได้ฝันไปพระอระหัง เขาพึมพำ ม, มันเป็นความจริงตามที่ตาเราเห็นอยู่ในขณะ น, นี้อยู่เลยเมย์ฉันอยู่นี่ชยันฝ่ามือของเมียแม่มเอื้อมมาจับมืออันสั่นเทาของชยันไว้บีบกระชับแน่นเหมือนจะเตือนให้รู้สึกฉันเห็นแล้วเห็นอย่างคุณและทุกๆคนในขณะ น, นี้ชายคนหนึ่งนั่งเหนือแท่นหินมือซ้ายวางที่เข่าซ้าย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 แต่ยังจับคำเม่งไปที่ภาพนั้นไม่กระพริบก็อย่างที่คุณหญิงพูดนั่นแหละครับเดือนห้าค่ำกำลังจะตกรับยอดเขาลูกนี้พอคล้อยต่ำลงมาแตะสัมผัสทำมุมกับยอดเขาในองศาที่พอดีปรากฏการ์มันก็เกิดขึ้นทำให้เรามองเห็นเป็นเทวรูปของพระศิวะอย่างขนัดชัดเจนจากมุมที่ยืนอยู่นี่สวรร์ทรงโปรดนีผมขนลุกไปหมดแล้วนรพิน ท่านหัวหน้าคณะกระซิบเบาที่สุดยกมือขึ้นลูกแขนตัวเองและผมก็เพิ่งจะเข้าใจความหมายตามคำสั่งของลายแทงเอาเดียวนี้เองคำว่าปิ่นพระศิวะแท้ที่จริงหมายถึงจันทร์เสี้ยวขึ้นห้าค่ำยามจะตกลับฟ้าโดยตกคล้อยไปทางหลังเขาลูกนั้นแล้วปรากฏเป็นภาพประหลาดอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในขณะนี้นั่นเองก่อนหน้านั้น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 อกอบไปด้วยความปิติปราบรื้อแล้วต่อมาก่อนที่ใครจะเอ่ยคำใดออกมาอีกนั่นเองร่างอันสูงใหญ่ของแงซทรายก็ค่อยๆซุดคุกเข่าลงอย่างแช่มช้ามือทั้งสองประสานกันไว้ระหว่าง อ, อกข้าแดมหาเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์เสียงลึกเอ่ยขึ้นในลักษณะบำบวงแผ่วเบาด้วยอำนาจสัจจาทิศฐาน และด้วยกุศลบารมีที่ข้าได้สร้างสมไว้แต่ปางก่อนพระองค์ได้สำแดงพระวรากายขึ้นให้ข้าได้ประจักษ์แล้วขอพระมหาเทพได้โปรดชี้ทางคืนสู่มาตุภูมิให้แก่ข้าด้วยณบัดนี้เดิดสิ้นกระแสะเสียงพึมพำรรของแง่ายซึ่งทุกคนไม่อาจสะดับฟังได้ขนัดก็พลันปรากฏสำเนียงลั่นคืนครันเหมือนภูเขาหิมะทลายอยู่ทางด้านหลังเสียงนั้น ดังเป็นสำเนียงยาวแววสะเทือนมาแต่ไกลเมื่อต่างหันขวับไปทางเบื้องหลังก็ต้องตะลึงลืมหายใจไปชั่วขณะอีกครั้งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบัดนี้พัฒนียภาพที่ปรากฏราวกับฉากว่าที่อาจไว้ด้วยแสงไฟบนเวทีละครอันศาสตร์ออกมาจากหลืบผูเขาชิมะรังงานเงื่อมเทียมฟ้าสองลูกตั้งยอดชูชันอยู่เคียงข้างกัน แลขาวโพลนลำยองประดุษถันสองเต้าของดารุณีไวยกำดักในลักษณะทอดกายส่วนบนลงนอนหงายเงยเพื่อให้ยอดชูเคลนคลา้าวแลเห็นขนัดชัดเจนเป็นรูปร่างมีได้ผิดเพี้ยนแม้กระทั่งส่วนปลายยอดทั้งสองเต้าและกึ่งกลางระหว่างร่องเนินอุระแสงนวลตาที่สาดส่องอาบอยู่ในขณะนี้ ทำให้แลละเลื่อมประดุษเงินยวงทันพระอุมาเทวีก่อนที่ใครจะทันรู้สึกกายตื่นขึ้นจากห้วงสะกดนั่นเองแง่ายก็พลันเข้าประชิดตัวแพรนใหญ่กระซิบอย่า ม, มัวแต่ตะลึงอยู่เลยผู้กองสวรรค์เปิดทางให้แกเราแล้วเสียงปลุกตื่นนั่นเองช่วยเ้รพินไทรวันสติกลับคืนมาอีกครั้งเราเห็นทางแล้ว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 ในระหว่างที่พวกพรานพื้นเมืองช่วยกันม้วนพับผ้าใบายอย่างใจหายใจคอไม่ทันทุกคนลืมนึกถึงอากาศอันหนาวเย็นที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในขณะนี้เสียหมดสิน้นแม้กระทั่งมารีเชฐารัดสายเครื่องหลังของเขาเสร็จมองเห็นดพินพยายามส่องไฟฉายและคลี่แผนที่ลายแทงอยู่ภารวันสองคนกนแงใายก็ถลันเข้ามาช่วยฉายไฟของตนเองให้ตางจึงเห็นชัดว่า พรานใหญ่กาลังขีดเส้นวัดทิศทางจากเข็มทิศโดยเปรียบเทียบเอาจากภูมิประเทศที่เห็นด้วยตาเปล่าในขณะนี้กับเทือกเขาพระศิวะในแผนที่เป็นเกณฑ์อาการของเขาเต็มไปได้วยความรีบด่วนลุกลนุนแงน้มมองขึ้นไปพิจารณาภาพฐานพระอุมาที่เห็นอยู่ครั้งหนึ่งก็ก้มลงมาลากเส้นวัตทิศในแผนที่ครั้งหนึ่งสลับกันอยู่เช่นนั้นผู้กองนั่นคุณทาอะไรชยยันถามเร็วปรือ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 เมื่อเวลาผ่านไปผมจะตั้งเข็มขีดเส้นทางเดินที่แน่นอนของเราไว้ก่อนจากภาพที่เห็นอยู่เดี๋ยวนี้เพราะถึงแม้ภาพภูเขารูปถันคู่นี้จะเปลี่ยนไปเราก็ไม่กังวลอีกแล้วเพราะเรากําหนดเส้นทางจักเท่าที่เห็นในขณะนี้ไว้พร้อมก่อนโดยอาศัยเข็มทิศและแผนที่เป็นหลักรพินตอบโดยเร็วเช่นกันทั้งๆ ท, ท, ที่ยังก้มหน้าก้มตาขีดวัดเส้นอยู่อย่างขมัดขมน เชิดฐานลืมตากว้างร้องออกมาอย่างปิติว่าดีมากกระพินรอบครอบดีที่สุดเลยนั่นเป็นวิธีที่ถูกต้องละเดี๋ยวนี้ผมมองเห็นความหมายอันเป็นปริศนาของลายแทงชัดเจนว่าอะไรคืออะไรคาสั่งของลายแทงให้เรามารออยู่บนเนินจันทร์รอเวลาที่พระจันทร์ตกทำมุมกับภูเขาทางด้านตะวันตกพอจันทร์แตกติดยอดเขาก็จะเกิดปรากฏการณ์ประหลาด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 แต่ก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงตำแหน่งตามภาพที่มองเห็นอยู่เดี๋ยวนี้ปรากฏการทางธรรมชาติชนิดนี้อาจเปลี่ยนรูปสูญสลายไปเพราะฉะนั้นการที่คุณฉวยโอกาสขีดเส้นลงไปบนแผนที่สักก่อนจึงเป็นวิธีที่ถูกแล้วขีดเส้นให้ถูกต้องแม่นยำที่สุดนะระพินเอาสายตาในขณะนี้เป็นหลักเทียบกับเทือพระศิวะในแผนที่ให้ดีที่สุดอย่าให้คาดเคลื่อนไปเลยแม้แต่ดีกรีเดียวผมเชื่อว่าในเวลาปกติ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 มิหญยที่ละอองหิมะจะโปรยปลายพร่างพรมลงมาเช ย, ยันโดดเข้าไปช่วยรับพินกับแงซรายวัดองศาจากเข็มทิศดารินน้าตาซึมด้วยความยินดีขนลุกสู่สูอยู่ตลอดเวลาผูเข้ากอดมาเรียวไวแน่นเชษฐานั้นจับดูเวลาจากนาฬิกาข้อมือพลังหันไปพิจารณาภาพเทวรูปพระศิวะอีกฝากหนึง่งซึ่งบัดนี้เขาสังเกตเห็นจันทร์เสี้ยว ค่อยๆจมตัวรับหายลงไปเป็นลำดับซึ่งโดยลักษณะการนี้พลอยทำให้องค์เทวรูปซึ่งความจริงก็คือขุนเขาโดดเดี่ยวทั้งลูกเริ่มจะพร่ามัวเป็นเงามืดลงแต่ถึงยังไงก็ยังมีสันฐานเหลือให้เห็นเป็นองค์มหาเทพอยู่รางๆทางด้านตะวันออกเฉียงเหนืออันเป็นรูปฐานขาวสะพังมาฮมาทั้งสองเต้านั้นยังคงสว่างเรืองไรให้สังเกตเห็นได้ชัดเจนเหมือนเดิ และยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งสุกปลังแผ่รัศมีกระจายกว้างไกลไปโดยรอบช่วยมองเห็นทิวรงหานอันเป็นฉากซ้อนอยู่เบื้องหลังตลอดจนยอดใหญ่น้อยที่เรียงรายอยู่ทุกยอดอันบัดนี้ล้วนขาวโพลนไปทั่วเกล็ดหิมะที่ร่วงหลนพรมพลายลงมายามนี้ก็แลดูประหนึ่งละ อ, องทองที่เทพเจ้าสาปโปรยลงมาให้ เป็นภาพที่สวยงามจนสุดที่จะพันนาได้ในความรู้สึกของทุกคนความหนาวเย็นก็แปลมาเป็นความอบอุ่นอิม่มเอิบกำราบใจเต็เมเปด้วพระกำลังประดุดถูกฉลมด้วยหยาดน้ำทิพย์ครั้นแล้วปิ่นพระศิวะก็รับดวงจมหายลงหมดสิน้นด้วยการบดบังของขอบเขาคงทิ้งแสงสว่างเหลืองทองรำไรอยู่เหนือปลายยอดภูเขาศิวเทพ ซึ่งค่อยๆเปลี่ยนสันฐานจากภาพเทวรูปอันเด่นชัดปรากฏแสงเรืองในตัวก็เริ่มเป็นเงามืดตะคุ่มลงเป็นลำดับจวบกระทั่งในที่สุดก็กลับคืนมาเป็นก้อนหินภูเขาสูงชะลูดตั้งเด่นเสียดฟ้าขึ้นไปตามเดิมมันเป็นเวลาเดียวกับที่ระพินชยันและงแง่ทรายช่วยกันกำหนดเส้นทางในแผนที่ได้เสร็จสัดลุกขึ้นมายืน ท่านหัวหน้าคณะก็สั ก, กิดให้ทั้งสองหันไปดูภาพที่เคยเห็นองค์เทวรูปทางเบื้องหลัง12นาทีกับ35วินาทีที่องค์สิวะเทพปรากฏขึ้นให้เราเห็นพร้อมกับดวงจันทร์อันเป็นปิ่นปักพระเมาลีแต่เดี๋ยวนี้จันทร์ับดวงจมลงหลังเขาภาพของสิวะเทพก็พลอยเปลี่ยนหายกลายเป็นภูเขาธรรมดาอย่างที่เคยเห็นอีกครั้ง เชิดถาบอกกระทุกคนด้วยความรู้สึกอันไม่อาจบรรยายถูกแกจับตามองเฝ้าอยู่ทุกขณะเลยสหายของเขาถามทุกวินาทีทีเดียวชัยันระหว่างที่แก ร, รพินและไงทรา ย, ายช่วยกันลากเส้นอยู่ซึ่งก็ควรเป็นเช่นนั้นตามวิถีโคจรของดวงจันทร์อันไม่ได้ลอยดวงอยู่กับที่รพินกับไงทรายฉลาดทันต่อเหตุการณ์ที่สุดที่รีบฉวยโอกา ส, สแสวงหาทิศทางเป้าหมายก่อน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 เราจะออกเดินทางกันเดี๋ยวนี้พร้อมหรื อ, อยังกระพินพร้อมแล้วครับอะแผนที่เดินทางเส้นทางเรียบร้อยหรือเปล่าแน่ใจไหมว่าจะตัดขึ้นถูกทางตรงกับภาพที่เราเห็นอยู่ในขณะ น, นี้แม้ว่าภาพจะเปลี่ยนแปลงเป็นเป็นอย่างอื่นแน่ใจครับผมอะถ้างั้นโชคชัยก็เป็นของเราแล้วเคลื่อนขบวนเดี๋ยวนี้เช็ดเท้าวราริศป้องปากตะโกนกล้องพร้อมกัดโ บ, บกมือไปข้างหน้า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 หันกลับไปเผชิญหน้ากับขุนเขาสิวเทพอีกครั้งยืนจ้องสงบนิ่งไปชั่วอึดใจด้วยอาการคาราวะมาเรียส่งจูบให้ดารินพนมมือขึ้นไหวเทชทาชยันระพินยกมือขึ้นแตะปีกหมวกที่สวมอยู่ขอให้พระมหาเทพสิวเวจ้าจงเจริญต่อไปนี้ข้าพระองค์จะน้อมก้าวสักการะ ระลึกถึงทุกทิวาราตรีและขอถวายชีวิตไว้ภายใต้เทวองค์การสุตเทเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่จะบัญชาชี้ทั้งห้าดวงจิตอาทิตยสถานบำบวงในข้อความตรงกันเช่นนี้อยู่ในใจแม้จะไม่ได้เปล่งออกมาเป็นวาจาเลยก็ต่างแล้วต่างก็หันหลังกลับออกเร่งฝีเท้าเดินตามขบวนหาบหามไปด้วยพลังใจอันเต็มเปี่ยมยิ่งกว่าทุกครั้งไม่เหนื่อย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 และเข้ากันได้ดีที่สุดสำหรับบรรยากาศในขณะ น, นี้มันเป็นเพลงประเภทปลุกใจซึ่งคุ้นคุ้นหูกันดีมาแล้วเนื้อหาของเพลงกล่าวถึงการเดินทางแเนจรยังปราศจากจุดหมายแต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขของนักแเนจรเร่ร่อนชนิดขําไหนนอนนั่นไม่อารร้อนใจกับอนาคตใดๆทั้งสิน้นสุดแต่โชคชะตาจะชักพาผ่านไป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 เรากับเทพเจ้าประธานพรให้ฉะนั้นชยันอ้าปากค้างมองเมียมแหม่มของเขาอย่างงงงเชิดฐานั้นยิ้มอย่างปลอดโปร่งโล่งใจพอมารีร้องจบไปหนึ่งเที่ยวท่านหัวหน้าคณะก็ช่วยร้องประสานเสียงขึ้นพลางสะกิดแขนพยักเพย์เดอรกระดารินและชยันเป็นสัญญาณให้ร้องขึ้นพร้อมพ ร, ม, พรมกันอีกอีกสองคนพอรู้สึกสนุกจึงช่วยกันร้องประสานขึ้นเป็นเพลงมูพร้อมๆกัน ดังกังวานกล้องไปไกลอย่างคึกคักสนุกสนานไม่มีครั้งใดของการเดินทางที่คณะเสียงตายทั้งหมดจะมีความสุขกระปรี้กระเปร่าเท่าครั้งนี้พลอยพาให้พวกลูกหาบอันเป็นพานพื้นเมืองทุกคนคึกคักร่าเริงขึ้นบังเกิดความหวังอันแจ่มใสและรุดหน้าไปโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยระพินไพวันยิม้มไม่เชิดฐาผู้อาปากร้องเพลงอย่างสนุกสนานตามมาเรียอยู่ หันมาโบกมือพยักหน้าเชิญชวนให้เขาร่วมร้องด้วยพรานใหญ่เพียงแต่แตะปีกหมวกส่งให้ไม่กล่าวว่าอะไรทั้งสิน้นแต่เร่งฝีเท้าเดินยำ่ำหิมะตัดขบวนขึ้นไปทันคู่หาบของแง่ทรายกับขยินเบื้องหน้าแง่ทรายเราจะไปให้ถึงร่องกลางระหว่างเต้าทันนั่นภายในเวลาไม่ควรเกินสามชั่วโมงหลังจากนี้นะเขาบอกผกองครับ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 ไม่เหลือร่องรอยใดๆให้เห็นเลยว่าเมื่อประมาณเกินครึ่งชั่วโมงที่แล้วมันเองมันสว่างสวัยราวกับใครไปส่องไฟไว้แม้ด้านตะวันออกเฉียงเหนือถันพระอุมาเองก็เริ่มจัดรีโรยแสงลงทุกทีไม่เจอจ้าเหมือนแต่แรกห็นแต่ไงไงเราก็ขีดเส้นตั้งเข็มทิศไว้แล้วอะพรานใหญ่กล่าวอย่างมั่นใจเต็มเปีย่ยมถึงแม้แสงจะหมดเราก็จะเดินตามเข็ม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 นอนเอาแรงกันไว้ก่อนสักสาสีชั่วโมงรอให้ตะวันขึ้นเห็นถนัดถึงก็ปีนตัดขึ้นทางภูเขาลูกซ้ายนั่นแกเห็นด้วยไหมแง่ส่า ย, ายภายหลังคิดชั่วครู่แง่ท า, ายก้มหน้าลงครับเราก็คงไม่มีเวลาพอที่จะทำอะไรให้ได้มากไปกว่านี้หรอกครับผู้ ก, กองสำหรับคืนนี้ขนะนั้นเองเชษฐาก็เร่งฝีเท้าตามขึ้นมาทันโดยปล่อยให้มาเรียช ย, ยันและดาริน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 ที่สำแดงภูงมิประเทศเป็นการเปิดทางให้เราได้เห็นนานผสมควรทีเดียวไม่ว่าจะเป็นองค์เทวรูปพระศิวะหรือภูเขารูปถันคู่นั้นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่ปรากฏการพิสดารดูมหัศจรรย์เช่นนี้จะคงอยู่ให้เราเห็นได้เนิ่นนานเกินไปนะักผมก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันเชษฐาหันไปทางแง่ทรา ย, ายแกล่ะแง่ทรา ย, ายเห็นองค์เทวรูปก่อนผู้กองไม่ใช่เหรอ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 แก่ตาโดยปล่อยผู้กองนั่งหลับอยู่คนเดียวผมยืนดูอยู่ประมาณสักสิบนาทีจันเสี่เริ่มจะต่ำลงมาแตะแติดกระมุ่นผมบนเสียนของเทวรูปกลายสภาพเป็นปิ่นปักเมาลีก็ตอนนั้นแหละครับที่ผู้กองระพินกับนายหญิงวิ่งตามหลังมายังที่ผมยืนอยู่ผมก็เลือนชี้ให้ดูครับอืมประหลาดประหลาดจริงๆอดีตท่านทูตทหารบกพึมพัน ยังไม่ไวตื่นเต้นในสิ่งที่ตนเองพบเห็นมาแล้วส่วนปรากฏการณ์ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือที่เห็นเป็นรูปเต้าถันของผู้หญิงน่ะเราก็ได้เห็นพร้อมๆกันทุกคนภายหลังจากภาพเทวรูปนั้นแสดงปรากฏการณ์สว่างเต็มที่ระพินเดี๋ยวนี้คุณพอจะเข้าใจคำสั่งในลายแทงได้ปลุกปลงแล้วหรื อ, อยังละ่ะว่าเหตุใดจึงกาหนดไวเพียงวันเดียวในรอบปีคือในคืนห้าค่เดือน12นี้เท่านั้น ก็เพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้แ่ะครับมันเกี่ยวกับธรรมชาติอันมีกำหนดตายตัวของสถานที่นี้นั่นเองเราจะเรียกว่าอำนาจทางปฏิหารหรือปรากฏการของธรรมชาติก็ได้ทั้งสองอย่างจันทร์ขึ้นห้าคำ่ำจะลอยต่ำลงมาแ ต, แตกยอดเขาสิวเทพในมุมและองศาที่พอดีที่สุดโดยสายตาที่ดูจักเนินจันทร์และสําแดงปรากฏการประหลาดขึ้นทาให้ภูเขาลูกนั้นมองเห็นเป็นภาพเทวรูป และดวงจันทร์ก็กลายเป็นปิ่นปักเมาลีและในขณะเดียวกันคืนดังกล่าวนี้หิมะก็จะพรมหนักตามฤดูกาลอันเป็นจังหวะเหมาะพอกภูเขาสองลูกทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อประกอบกระแสธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนั้นจึงทำให้มองเห็นเป็นรูปทรงอกของผู้หญิงซึ่งในลายแทงจะระบุไว้ว่าเป็นฐานพระอุมาผู้เขียนลายแทงได้พบเส้นทางจากปรากฏการณ์นี้ด้วยสายตาเช่นไร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 ว่าคืนพรุ่งนี้บนเนินพระจันทร์แห่งเดียวกันน่ะมันจะไม่เกิดปรากฏการณ์อย่างที่เราเห็นซ้ำอีกเมื่อเวลาพระจันทร์ตกคุณชายครับผมแน่ใจว่ามันจะไม่เกิดปรากฏการณ์อย่างที่เราเห็นในคืนนี้อีกจนกว่าจะถึงห้าคำเดือน12ปีหน้าซึ่งลายแทงก็บอกไว้แล้วและความจริงมันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเมื่อคืนวานขึ้น4ี่คาเราก็ยังไม่เห็นวิแววอะไรสักนิด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 ว่าเหตุไรจรึงจะต้องเป็นเฉพาะคืนนี้ด้วยเท่านั้นประพินสิ่งที่เราพิจารณากันแต่แรกว่าเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระมันไม่น่าจะกลายเป็นเรื่องจริงจังขึ้นมาได้เลยนะเชษฐาเอ่ยขึ้นมาในลักษณะรำพึงอย่างตื่นใจผมก็มาสะใจไม่น้อยไปกว่าคุณชายเลยนะครับทั้งๆ ท, ที่ผมเองก็มีลายแทงฉบับนี้อยู่ในครอบครองมานานปี ว่างๆก็เอามาอ่านดูเล่นแล้วก็หัวเราะอยู่คนเดียวเพราะคณะของคุณชายแท้ๆสิครับจึงทำให้ผมได้มาพบกับความจริงอันพิลึกกึกกือนี้ขึ้นกล่าวจบประพินไครวันก็หัวเราะมีหน้าล่ะเราพยายามจะถามฤาษีโกนธัญญาสักเท่าไหร่เกี่ยวกับปริศนาลายแทงนี้ท่านก็ไม่ยอมบอกอยู่นั่นเองบอกอย่างเดียวว่าให้เราเดินทางมาให้ทันเวลาก็แล้วกัน นี่ก็เรียกได้ว่าไม่ต้องมานั่งตีปริศนาขบคิดอะไรกันเลยพอถึงเวลาของมันธรรมชาติก็สัแดงปรากฏการชี้เส้นทางให้เราเองขอเพียงให้เรามาทันเวลาเท่านั้นก็ไม่แน่เหมือนกันนะถ้าถึงเวลาของมันแล้วพวกเราทั้งหมดบังเอิญหลับกันไปหมดไม่คอยตั้งตาระวังดูไวเราก็จะไม่ได้พบเห็นอะไรเลยเพราะปรากฏการชี้เส้นทางนี้ก็ไม่ได้สดงอยู่นาน ช, ช่วงเวลาสั้นเดียวๆ เ, เท่านั้นแล้วก็แค่หินเป็นเหล่าๆต่อจากนั้นก็ให้เราใช้ความพยายามคลาทางเอาเองต่อไป ต, ตอนนี้ก็สบายมากแล้วไม่ใช่เหรอระพินเราปัดเข้ากลางร่องอกนั่นแล้วไตขึ้นเขารูปเต้านมทางซ้ายมือจนถึงยอดสูงสุดซึ่งบนนั้นเราควรจะพบถนนสายใหญ่ตามคำบอกเล่าของลายแทงเชิดถาพูดพร้อมทั้งชี้มือประกอบ ครับก็ควรจะเป็นเช่นนั้นล่ะครับเห็นอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองนี่คุณเป็นวันแรกของการเดินทางนะที่ผมไม่รู้สึกเหนื่อยเลยจนนิดเดียวแล้วก็ย่ำฟาลงไปบนหิมะที่แวดล้อมรอบตัวเราอยู่ขนาดนี้เหมือนเดินเหยียบบนปุยนุ่นทุกสิ่งนะ่ะมันอัศจรรย์ไปหมดแม้แต่ยาวิเศษแก้หนาวของบุญคำที่ช่วยพวกเราทั้งหมดไว้ในสถานการณ์เช่นนี้ท่านหัวหน้าคณะพึมพำเหมือนจะกล่าวกับตนเอง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 สอบถามอาการคุณนายของคุณด้วยนะว่าเป็นยังไงพอจะไหวไหมมีเสียงหัวเราะใ ส, สจากมาเรียพร้อมกับคำตอบอย่างร่าเริงว่าสบายมากมิสเตอร์ฮันเตอร์ไม่ต้องห่วงหรอกหนาวมากไหมก็ตอนหิมะลงก้อนแรกบนเนินจันมนก็หนาวมากอยู่หรอกแต่ตั้งแต่ออกเดินทางมานี่ฮึอุ่นสบายดีที่สุดเลยนี่นี่นี่เกิดปฏิหารอะไรขึ้นมา มีใครแอบเอายาของบุญคามาคุณกินหรือมั้งแพนใหญ่ร้องถามมาในลักษณะชวนคุยซึ่งลักษณะเช่นนี้ของเขาไม่มีใครค่อยเห็นบ่อยนักไม่มีหรอกไม่มีใครเอายาของบุญคามาฉันกินหรอกถึงง่ายก็ไม่กินแล้วทําไมถึงทนได้ดีอย่างงี้ลคุณเสียงตะโกนคุยกันโวกวุกมาเรือเจียเจ้ยนแจวมาอีกโดยเสียงหัวเราะกลางวานดูหลอนผิดแปลกไปจริงๆ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 เข็มนาฬิกาเดินป่าของเจตฐาชี้บอกเวลาสามนาฬิกายี่สิบห้านาทีของวันพุทธที่สี่เดือนพฤศจิกายนระพินเรียกแงไซาาเข้ามาหาหรืออยู่ครู่ต่างช่วยกันสำรวจภูมิประเทศอันเป็นร่องแบ่งกลางระหว่างภูเขาสันฐานกลมมนระ ง, งานเงื้อมทั้งสองด้านซึ่งยามนี้แลเห็นเป็นเงาตะคุ่มพร้อมกับปราดไฟฉายส่องไปรอบๆเท่าที่รัศมีไฟจะส่องไปได้ถึง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 ทำให้เราไต่ทิวสูงขึ้นมาทุกขณะโดยไม่รู้ตัวขณะนี้สมมุติว่าเราจะย้อนกลับไปยังหลุมมุกกาบาทที่สามและมองย้อนขึ้นมายัางตำแหน่งที่เราอยู่ในปัจจุบันทุกท่านอาจประหลาดใจนะครับว่าณนะตำแหน่งหลุมมุกกาบาทที่สามนะเราจะเห็นที่นี่เป็นทิวสูงลิปจรดขอบฟ้าบริเวณหนึ่งของทิวพระศิวะทีเดียวแต่เมื่อมาถึงครับจริงๆและมียอดที่เราจะต้องขึ้นต่อไป ก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเรายังอยู่ในระดับต่ำอยู่ น, นั่นเองความจริงนะตอนนี้เราอยู่ในระดับหลังคาโลกแล้วนะครับอาโอเคนอนเถอะพบกันใหม่ด้วยความโชคดีพรุ่งนี้แล้วกันราตรีสวัสดิ์ทุกคนชยันร้องบอกกับพักพวกแล้วตะแคงตัวหันไปกอดมารียแน่ประทับไว้กับอกเพื่อถ่ายทอดอุณหภูมิในร่างกายของตนห้ ดารินขยับตัวเข้าไปช่วยเบียดขนาดแม่เพื่อนสาวต่างผิวซึ่งบัดนี้มีสภาพเหมือนพี่น้องคลานตามกันออกมาของหล่อนอีกด้านหนึ่งแล้วชุดพี่ชายให้ชิดเข้ามาอีกภายในโปรงแบลงเก็ตเดียวกันก่อนจะสงบจิตหลับลงราชสกุลสาวพนมมือขึ้นวางไว้บนอกสวดมนต์ภาวนาระลึกไปถึงฤาษีโกนธัญะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ช่วยให้รอดปลอดภัยมาจนกระทั่งพบเส้นทาง พร้อมทั้งวิงวอนขอสวัสดิภาพให้แกนตนเองและหมู่คณะทุกคนในเส้นทางเบื้องหน้าต่อไปแล้วทุกคนก็พากันหลับไหลไปด้วยความอ่อนเพลียง่วงเหนาถทำตาางเสียงพายุหิมะที่ครางวีดวืออยู่เบื้องนอกเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าใดไม่ทราบได้จอมพลสะดุ้งตื่นพวดขึ้นมาด้วยความตกใจเมื่อหูของเขาแววเสียงเรียกแหลมก้องระพิน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 ที่นอนทอดส ก, กัดอยู่หน้าปากถ้ำในภาวะฉุกลระหุกนี้ความสว่างของไฟฉายระพินเห็นพี่ชายกอดน้องสาวผู้กำลังหน้าตื่นตัวสั่นเทาไว้แน่นพร้อมกับเขย่ากายร้องถามระล่ำละลักเร็วปรืออยู่เช่นนั้นด้วยความตกใจชัยันกมาเรียก็ช่วยกันจับต้นแขนดารินไว้คนละข้างในขณะที่กลุ่มพรานพื้นเมืองฮือลุกขึ้นต่อจากนั้นไฟฉายอีกหลายดวงก็สว่างจ้าไปหมด ทำให้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแวดล้อมรอบตัวภายในคูหาถ้ำแคบๆที่เข้ามาพักนอนกันอยู่ในขณะ น, นี้ครั้งแรกนั้นพานใหญ่เข้าใจว่าตนเองหลับสนิทไปอย่างไม่ทันรู้ตัวแล้วเกิดหิมะทลายลงมาปิดปากถ้ำอย่างที่มาเรียเตือนไว้ก่อนนอนแต่ก็ไม่ปรากฏวิแววอะไรทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างคงเงียบสงดอยู่ในความหนาวเยือกของราตรีปกคลุมหิมะตามเดิม บัดนี้ระพินเองนั้นนัง่งเบิกตาค้างตะลึงอย่างเดาอะไรไม่ออกทั้งสิ้นเพราะอยู่ๆทุกคนก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยเสียงร้องแสดงความตกอกตกใจในายหญิงส่งเสียงรอง้องเจาะจงเรียกชื่อเขาไหลอึดใจต่อมาท่ามกลางการรุมถามของพี่ชายและเพื่อนดารินจึงได้สติรู้สึกตัวมองหน้าทุกคนที่แวดล้อมอยู่ในขณะนี้คาวหน้าของหลอนยังซีดเผือ แสดงอาการมึนงงพิษสงและห ว, วาดระแวงยังไงบอกไม่ถูก ข, ข, ข, อขอโทษ ข, ขอโทษทุกคนฉันไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่ฉันฝันฝันแปลกฉันบอกไม่ถูกหล่อนบอกตะกุกตะกักยกมือขึ้นลูปใบหน้าแล้วเพ่งตามองฝาความมืดของก้นถ้ำด้านในเข้าไปเหมือนจะค้นหาอะไรสักอย่างฝันเหรอ ใช่เชิดาร้องแล้วน้อยตะโกนเรียกระพินน่ะตะโกนเรียกทำไมเลอคะพี่ใหญ่ถ้าตะโกนเรียกระพินก็แปลว่าน้อยต้องละเมอไปแน่ๆเพราะในความฝันน้อยก็ร้องเรียกระพินกบพี่หลอนพูดหอบๆพยายามมองไปรอบๆเหมือนจะให้แน่ใจที่สุดว่าหล่อนอยู่ที่ใดร่วมกับใครบ้างและในขณะนี้มันเป็นความจริงอย่างที่หลอนตื่นขึ้นมาแล้ว ไม่ใช่ยังอยู่ในห้วงฝันนายหญิงนอนหลับและฝันไปเท่านั้นไม่มีอะไรหรอกทุกคนนอนได้แล้วจอมพลานสั่งกับคนของเขาเรียบๆพวกนั้นจ้องนายหญิงเหมือนจะให้แน่ใจที่สุดว่าไม่ได้เกิดอันตรายอะไรขึ้นพืมพมพูดอะไรอยู่ครู่ก็ล้มตัวลงนอนตามเดิมโดยไม่สนใจอะไรอีกโอ้โหน้อยเล่นน่าตกอกตกใจเลยเชยันบน่นจ้องหน้าเพื่อนสาวแล้วเอื้อมมือมาแตะที่หน้าผาก อยู่ๆก็ร้องกรี๊ดขึ้นมาเป็นไงรู้สึกไม่สบา ย, ยางไง ร, ราชาสกุลสาวฝืนยิ้มสันสีสะฉันไม่เป็นอะไรอ่ะร่างกายปกติสบายดีทุกอย่างแต่ฉันฝันอะฝันร้ายเหรอน้อยมาเรียถามโดยเร็วยังจับตัวหล่อนไว้เช่นนั้นอย่างปลอบโยนก็ก็บอกไม่ถูกนะว่าฝันร้ายหรือฝันดีแต่มันเป็นความฝันที่พิลึกยังไงชอบกล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 แต่นี่ดันกลับไปฝันนอกลู่นอกทางโดยที่ไม่เคยอยู่ในความนึกคิดมาก่อนจนนิดเดียวชายคนนั้นนะ่ะเดินช้าๆออกมาจากก้นถา้ามาหยุดยืนอยู่ทางปลายเท้าฉันซึ่งในความฝันว่าทุกคนหลับหมดมีแต่ฉันตื่นอยู่คนเดียวแล้วเขาก็บอกอย่างนี้แหละรู้สึกว่าเขาคงอยากจะพูดอะไรกับฉันอีกต่อไปทำไมช่ยพระฉันตกใจและร้องเรียกคุณขึ้นพลอยพาให้ตัวเองตื่นขึ้นจากความฝันซะก่อนนะ่ะอ่ะและหน้าตาเขาเป็นไงล่ะ การแต่งกายด้วยช่ยันก็ชักเริ่มจะรู้สึกถึงความพิกลพิกลฉันก็เห็นไม่ถนัดหรอกรู้สึกแต่ว่าเป็นคนผอมสูงทีแรกนะ่ะยังนึ ก, กว่าเป็นภาพหลอนของไอ้ผีดิบมันไรที่เราเคยพบมาแล้วซะอีกแต่ไม่ใช่แล้วก็พูด ก, กันน้อยเพียงเท่านี้เหรอก็บอกแค่นี้แหละก็พอดีตกใจตื่นซะก่อน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 มีอะไรที่เราจะต้องสนใจจนถึงขั้นต้องลุกขึ้นมานั่งพูดกันกันอีกแค่เรื่องความฝันนี่เชียวหรอครับผมเองนะเมื่อกี้ที่ตกใจตื่นขึ้นมาก็นึกว่าคุณหญิงถูกสัตว์ ร, ร้ายอะไรกัดต่อยทำอันตรายเข้ากระมังหรือมิฉะนั้นก็อาจจะได้ยินเสียงหิมะเคลื่อนตัวอยู่ข้างบนทําท่าว่าจะถล่มลงมาปิดปากทางและร้องตือนให้ผมรู้สึกตัวขึ้นเพราะมารู้ว่าเป็นความฝันนั้นเกี่ยวข้องไปถึงเจ้าของลายแทงที่ตายไปแล้วตั้ง400อกว่าปี ผมเห็นว่าเราควรจะนอนต่อกันได้แล้วละครับเอาละเอาล่ะนายพรานคุณจะนอนก็เชิญนอนไปเถอะแต่ก่อนนอนน่ะส่งเอกสารมันเป็นหนังสือของเจ้าของลายแทงฉบับที่คุณแปลไว้ก่อนแล้วและเคยเราดูที่บ้านพักคุณอณัมพลในวันแรกที่พบหน้ากันไม่ฉันดูหน่อยสิดารินพูดห้วนห้วนระพินยักไหลไม่กล่าวอะไรอีกทั้งสิน้นเอี่ยวตัวไปรือย่าม ใ, ใจเดียวก็ส่งเอกสารคําแปล ให้น้องสาวของนายจ้างแล้วก็ล้มตัวลงนอนคงมีแต่ดารินเชดฐาชา ย, ยันและมาเรียเท่านั้นที่ยังนั่งกันอยู่อีกสามคนมองหน้าราชะสะกุลสาวเป็นตาเดียวอย่างแปลกใจออาน้อยสงสัยอะไรเหรอพี่ชายถามดารินตอบมาในขณะที่คลี่กระดาษเก่าๆแผ่นนั้นออกไปอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งเอาไฟฉายส่องค้นหาข้อความบางตอน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 ในถ้ำเล็กๆทางด้านเหนือของเต้านมด้านใต้สุดของภูเขาสองลูกข้าพเจ้าขอให้ชื่อมันว่าทันพระอุมาไม่ทันจะขาดเสียงพึมพำรรของพี่ชายดารินคว้าไฟฉายประจำตัวลุกขึ้นอย่างพลันพลันอาการของหล่อนไม่มีใครสามารถไทยถูกว่ากำลังจะทำอะไรแต่เห็นหญิงสาวเดินเอาไฟฉายส่องไปตามพื้นถำ้ำ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 สิ่งที่เห็นจากไฟฉายสองของดารินทำให้สภาพอันง่วงเหงาอ่อนเพลียในขณะนี้แทบจะหายเป็นปลิดทิ้งได้ยินร้องเอ็ดออกมาคำหนึ่งอย่างขวัญหายเพนถอยออกมาปะทะกับพรานใหญ่ระพินผู้เพิ่งจะตามเข้ามาล่าหลังกว่าเพื่อนกะกกกกะโลผีน่ยน่ยน่ผีผีเจ้าอดีตนักเลงโตหล่มช้างตาเหลือบบอกเขาแทบไม่เป็นภาษาระพินผักะเรียงร่างยักษ์จอตาแหก เป็นที่ปรากฏกิติสัตย์กระเด็นไปทางหนึ่งแล้วแหวกคนของเขาเข้าไ ป, ไปเผชิญกับสิ่งที่ฝ่ายเจ้านายทั้งสี่กำลังตะลึงจ้องอยู่ในขณะนี้ภาพนั้นมีอิทธิพลพอจะสะกดเขาให้นิ่งขึงไปด้วยอีกคนหนึง่งนี่ไงละ่ะเจ้าของร่างที่ไปปรากฏกายให้ฉันเห็นมือตะกี้นี้เขาอยู่ที่นี่เองดารินพูดแผ่วเบาเหมือนจะกล่าวกับตนเอง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 ในระหว่างที่คุณหญิงตรวจสอบกระดูกครับอดีตท่านทูตทหารบกหัวหน้าคณะอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งรับไปดูโดยเร็วท่ามกลางการมุ่งเข้ามาของชายันมาเรียและดารินมันเป็นมีดสั้นยาวประมาณ8นิ้วฟุตซึ่งอยู่ในฝักโลหะสลักลวดลายด้ามทำด้วยมุกประดับพลอยหลากสีและที่ฝักก็ประดับพลอยสีเช่นเดียวกัน แต่ความเก่าแก่ที่ถูกทิ้งอยู่ตามธรรมชาติภายในพื้นถ้ำทำให้มันเก่าคร่าคร่าจนแทบจะมองไม่เห็นถึงความสวยงามที่ประดับไวและสนิมจากฝักกับตัวใบมีดซึ่งคงจะมีอยู่เกลือกลางทำให้ไม่สามารถจะดึงมีดออกจากฝักได้ซะแล้วต่างสรงมีดเวียนให้ดูกันโดยทั่วสวยงามมากทีเดียวจากเท่าที่เห็นข้าวโครงตามสภาพดั้งเดิมของมัน มาเรียพืมนพ ă น่าจะเป็นมีดของพระราชาหรือนายทาหารระดับแม่ทัพศิลปะการตีทรงมีดฝักและเครื่องประดับเป็นอารยธรรมทางตะวันออกในศตวรรษที่15ดารินรับมีดเล่มนั้นมาตรวจดูเป็นคนสุดท้ายแล้วเรียกหาแงไทรายมีเสียงตอบเบาๆออกมาจากเงามืดด้านหลังของหลอนหญิงสาวจึงส่งไปให้แง่ทาย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 มีหลักฐานมีดเล่มนี้เหลืออยู่แค่เล่มเดียวเท่านั้นเหอรอลพินครับเล่มเดียวเท่านั้นครับผมพยายามค้นหาสิ่งอื่นๆนอีกแต่ไม่พบครับล้่มีโครงกระดูก ข, ของเขาอยู่แค่โครงเดียวหรือไงตรวจดูให้ทั่วสิอาจจะมีโครงอื่นๆ อ, อีกตรวจแล้วครับไม่มีอีกเลยครับนอกจากโครงนี้เท่านั้นทุกคนมองหน้ากันเอง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 ยังทดลองค้นดูแล้วก็พบเขาจริงๆนี่แสดงว่าวิญญาณของเขายังวนเวียนสิงสถิตยอยู่ที่นี่อาจรอการมาของเราก็ได้ราชส ก, กุลสาวค่อยๆสุดกายลงคุกเข่าต่อหน้าโครงกระดูกนั้นแล้วพนมมือขึ้นสักการะสงบนิ่งอยู่ทำให้เชษฐาชายันมาเรียและรบพินลดกายลงทั้งหมด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 คงได้ยินแต่เสียงตาเท่าบุญคําซุบซิบอยู่กับลูกน้องของแกพวกพลานพื้นเมืองเหล่านั้นมีความตื่นเต้นประหลาดใจไม่น้อยไปกว่าฝ่ายเจ้านายทั้งหลายพากันยืนล้อมห่างออกไปเล็กน้อยยกเว้นขยินคนเดียวที่บัดนี้ถอยออกไปนั่งกอดเข่าอยู่ตรงที่นอนเห็นแต่ตาขาวกรอกหลอกแหลกอยู่ไปมาจ้านักเลงโตลมช้างตัวใหญ่ซะเปล่าเรื่องอื่นๆนักกล้าหานได้สารพัด แต่ปอดแท็กอยู่อย่างเดียวเรื่องพูดผีและวิญญาณมันไม่ยอมเอากับใครเมื่อกี้นี้นะ่ะน้อยขอลายแทงฉบับเดิมของคนตายที่เขียนสั่งความไว้ขึ้นมาอ่านไม่ใช่เหรอเออมีรายละเอียดในข้อความจดหมายหรือคาสั่งของผู้ตายพอจะให้เราสันนิษฐานอะไรได้บ้างนะมาเรียทำลายความเงียบงันนั้นขึ้นเบาๆเขาไม่ได้บอกอะไรไว้ละเอียดนักเลยนะเกี่ยวกับตัวเขาเองนอกจากจะบอกว่า ตัวเขาเองกําลังจะตายด้วยความหิวและความเจ็บไข้แล้วก็ระบุตำแหน่งสถานที่อยู่ครั้งสุดท้ายของเขาว่าถ้าเล็กๆทางตอนเหนือของเต้านมด้านใต้สุดของภูเขาสองลูกปีที่เขียนข้อความเป็นจุลศักราชซึ่งจะตรงกับพุทธศักราช 2,120 ก็ข้อความระบุตำแหน่งครั้งสุดท้ายของเขาเช่นนี้แหละ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 เราลองหันมาพิจารณาให้ทีถ้่นในคำสั่งจากข้อเขียนของเขาอีกครั้งแล้วกันมีข้อความอยู่ตอนหนึ่งไม่ใช่เหรอที่เขาเขียนไว้ว่าหากทาสของข้าพเจ้ามาพบมันขณะที่เขามาตามหาข้าพเจ้าเขาจะได้นามันกลับไปยังเมอร ล, ลําเลยคำว่ามันในที่นี้หมายถึงอะไรก็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 วควรจะเป็นเช่นนั้นนะเขาอยู่ที่นี่คนเดียวขณะที่เขียนข้อความเหล่านี้ดารินบอกในข้อเขียนได้เอ่ยถึงธาตุของเขาด้วยและในระหว่างที่เขาเขียนอยู่นี้ธาตุของเขาไปอยู่เสที่ไหนต่างเงียบกันไปอีกครู่้วยความคิดลําดับเหตุการณ์จากหลักฐานในข้อเขียนและสิ่งแวดล้อมของประเทศ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 มิฉะนั้นแล้วเขาควรจะสมสารไปได้และอาจไม่ตายก็ได้ถัดมาพบเขาสายไปซะแล้วคือมาพบเอาตอนที่เขาตายแล้วถ้างั้นเราก็พอจะมองเห็นได้ชัดเจนแล้วลจากข้อสันนิษฐานนี้หรือคุณว่าไงผู้กองชายันหันมาถามพรานใหญ่ระพินก้มศีรษะลงอย่างปราศจากข้อขัดแย้งครับผมเห็นด้วยทุกอย่างครับ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 ขอคารวะอย่างสูงต่อท่านและขอพรจากดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านช่วยดลบันดาลให้พวกเราได้เดินทางประสบความสำเร็จตามที่ได้มุ่งหมายไว้ทุกประการหากเราทั้งหมดรอตายกลับคืนไปสู่บ้านเมืองได้โดยสวัสดิภาพก็จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลมาให้แก่ท่านขอจงสุขสงบและไปสู่สุขตี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 เราเวลาพรุ่งนี้ทั้งหมดลุกขึ้นยืนทำความเคารพต่อซ้าโครงกระดูกของเจ้าของลายแทงด้วยอาการคารวะสูงสุดแล้วถอยออกมาประจำที่นอนตามเดิม